กขจะตกรองหลวงพ่อวัมาทันทีกลับมาสอนว่าสเอ้ยไปตายนะขอให้ลูกทใจมันป่าใหญ่ทใจมันทะเลตายก็จะถามความหมายหลวงขอมาเพื่อแนะนำว่าวันนี้ลูกไม่ยอมแล้วต้องขอถามที่ตอนไหว้องให้ได้ขอกระคุณลงหาด้จุดจุดจุดจุด เอาไปนั้นว่าที่ที่ปราก土สกาตามนั้นนะหมายแปลว่าถ้าแต่งานกังวลมันมากไปนิทานไม่ได้ยากไปยากถ้าไปเป็นการไมเอายโนยามทีเอ คนคนเดียวไปทำเองทำไปทุกางได้ง่ายแสดงว่ารักรัดคอแต่ถ้าดีอย่างแต่ถ้าหลักใจอย่างคุณรักลูกหลานจะไม่ไปใส่บาตรไปทิ้งไปก็ไม่ใช่ที่รกเอเป็นทั้งหน้าหลวงพ่อี่ขอรบอย่างสูงสุดในชีวิต ไม่เคยลดวนเลยแต่วันนี้เห็นว่าสุขภาพไม่ียิงขอเพียงเลน้อยก็รู้ว่ไม่ดีพอเลยเรื่องย่อมมีการตอบไปนี่ย่อๆไม่ต้อยาหย่ๆเราะว่าชาวไต้หวันกลกำเดินทางมาจะตบหรงมเกียวกับเรื่องพินลูกจะต้องไดโดยจป็งนางที่สดแต่ลูกไม่อยากจะลบคุณพ่อเพียงจะขอหยพอพอติดเ่อสายพันเศษให้ลูกด้วย หลังใจจะทราบรับยิ่งถวายวงได้หออดเลานส่วนวญไปนะั้งใหญ่นต้งแค่เนเดียวนะเอาได้รูปธรรมาปล่อย่ได้มัเลย แตนใดครับหลวงพ่ออิสรภาอย่างสูงในเรื่องฝนท้องฟ้าท้องเนี่ยหลวงพ่อสอิวิธีจิตใจเป็นอย่างยิ่แต่ที่จะมียาถามว่าฝนท้งฟ้าปัจจุบันนี้ตา่อกให้รู้ว่าเป็นวนอะไรแต่ไม่สนใจกับท้องฟ้าผู้พายใช้อยากจะเรียนถามว่าจะทำอารมณ์แบบไหนอย่างไรเพื่อให้จิตอยู่ในลักษณะมตั้งอยู่ในกุณฑังสวรรค ก็ตั <wi> ้งใจว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาหันน uh, ั่นเลยแค่ธรรมดาแค่เองถ้าตรงอารมณ์เป uh ็นธรรมดาได้จร uh, uh, uh, so, uh, uh ิงๆนั uh ่น uh คือว่าหันมันหิวก็ธรรมดาเกิดมามาถึงหิวไอ้มีรูปตาเจ้าคนตาบอดตาไม่ดีก็เพราะแื่ธรรมดาที่ทำได้ไอ้ที่ตาไม่ดีพราะสมยก่อนว่าสมุนแคร่ทำไปไม่เห็น ได้ยินเหรอใช่ซึ่งรูปติดติดสาได้ของกี่โแต่คุณพว่าว่าถักดเขานลยใช่ใช่ได้ยินแล้วก่ทำอไรไม่ได้ยินสิหรูหนวกินเล้าไปบนบ้านฆ่สัตเพอนมาฆ่าแล้วทำกรรมอะไรที่เป็นเก่าที่เป็นเก้านี่นะเป็นเก้านี่ก็ต้องทำอะไรดีวะ กูนม uhm ่เฝ้ายของฆ์นะฮะที่ที่ไม่เฝ้าในเรื่องในกรณีเรื่องใหญ่ๆเรื่องนีเรื่องใหญ่ๆน้ำมันบกต้องอยู่ใต้ใช่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่คนนี้นะแต่ไม่เข้าไปซียูมาดูเกิดบวมบั้งไอซยู าวไป่เาไปซี้อยู่ี้อยู่ไจ้าหอบอกว่าพ่อาลงไปดูไปต่างหน้าตางินโจรก็จะให้ไปใช่ไหมใช่แลวเรื่องคนนม่ข้อใดแล้วก็แล้วก็อีั่ รูปร่างกาและเงอที่ไดไปวัดพราดูได้พบองพระวิสุทธิเทพรูปภูชาและความสมาวิชั่นั่งิตรงนั้นแต่ว่าภาพที่เกิดในิเทสกลับเป็นายเป็นพสมไม่เหมือนคนอื่นทีกนั้งกู้จากจะมีคนถามว่าอารมณ์และลักษณะแบบนี้จะต้องแก้ไขจากอะรจึงได้เห็นเหมือนกับองค์งพระวิสุทธิเทพเดค่ะก็ไม่ต้องแก้ จะไข้ซะหน่อยไข้ไข้พ่ไข้จิตยอมรับการปรนายญาติโลกนี้เป็นทุกข์ก่เกิดทีทุกข์ทีานิสุขแต่จิจไเห็นน้องเห็นี่จริงนะาอ้ไข้แ้นปรินายญาติลบพ่อท่เขาลบยันต์สูงหินเรียนดาวสาไฟครัี ก็มีหาอยากจะใ้อช่วยหวักนิดหนงไม่ได้แก้แต่แม่เอาซก็อ้ไอ้ยังไงไม่ได้ไอเอาไอเี้ยให้เยว่าโอ้ทราคุยกันอย่งเยมัยอมุกมีอารมณ์อย่างเี้ไปแล้วครับโอคจริงถ้าอย่างี้อรองโลก ดีด<จ>ีด <difference S 1> ีมากดีมากผู้ติดไม่ดีนะครับดีผูติดไม่ดีถ้าแกผู้ติดกระหนี่ไปสวรรค์ไม่ิดพันหมดใช่รับแล้วก็ติดัางน้ำดีมีกระชากใจดียิ้มด้วยโอ้ที่ไม่ใช่ห้ถามว่ามันได้ใช่แต่ยิ้มไม่ไหวลูกสุวรรณชากินมันอคตรดีเดีมยวที่ว่า ถ้าหากว่าจะคนวางสก่าหรือเอาธรรมะไปแนะนากับร้องไหนี่ก็ควรจะใช้ธรรมะแบบไหนและจะโดนแบบใบเปลือนไปได้กับเขาฟังเนี่ยอนี้ไม่ขอแนะนำนะอาจะไม่ผลอ๋อจนได้เงียบธรรมะได้ดี่ธรรมะอย่างไรใหญ่ที่หนักก็ไปเลย่ไกลต่อไปนะใช้กั่รอดไปทุกวันนี้ลูกทั้งหมดไปปะ ลูกตาบอว่าหน้าประหลาดใจที่ัสถานเงินล้านของลุงพ่อไม่ใหม่ก็เลี้ยงหายก็ดีพมาคลาขึ้นกองๆก็เกิดเงินจากนอกขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้สิครัสถานเงินล้านของลุงพ่อไม่รู้เป็นยังไงลูกสุโกงก็หมดตัวแล้วลูกอยากจะเปลี่ยนหมดใหม่ได้ไหมเอาหมดยิ่งเขาไม่โกงต่อไปตอนนี้ลูกเป็นลูกมากจบศาส อที่เขาไม่โกงคือเราไม่มีนะถ้าเรามีเ้าโกงได้ถ้าเราไม่มีก็โกงถ้าเกิดจะไม่ถูกโกงก็จะไม่มีแล้วไอ้เรื่องโกงมันเปกฎองการของจนะอดินาทานใชิก่อนนี่จำไหมนะโอ้ยขโมยโกงนั่นใช่นั่นใร้านนี้ไปบ้าช้างร้านนีนเป็นชั้นไม่ใช่รุ่นใหม่ อนนี้หลวพ่ออียุร้อยแปดสินี่มีอ่านตามตรด้วยนะถย้อนหลวงพ่อมาอ่านกันนะหลวงพ่ออายุมากแล้วแก่แล้วแต่ตัวจริงไม่แก่เลยมันยังให่บ้าที่ลวพ่อพี่โตลพ่อทาอย่างไรครับจึงไม่แก่มันยังไงอยัอยู่ต้อเปอายุมากแล้วแก่แล้วจรไม่แก่ ้ตัวปลอแกเฮ้ยเห็นว่หวง่อย ouais ิ้มเอยากจะได้กำารไม่แกหรือแกช้าอ um <sa ๋ออยากแกช้าไป่อยากสุญชาทุกวันยิ้มเลยตัวปหาไ้ช้าที่แม่ทำลายรูยินมหี่เคยจะทำยังไงไรหลวงพอไมอยาจะได้ทําลแบบนีไม่อยากก็มายิ้มทุกวันนะเห็นหมาก็ยิ้มเห็นทิ้งทิก็ยิ้ม ใครก็ด่ามันก็ยิ้มก็ชมก็ยิ้มยิ้มอากอยตลอดเวลาใช่ใช่อ้ยมันตงไปกของาเออไม่ได้อาจจะแค่ยิ้มไม่รเอรเอปวาแต่ว่าิ้เยวก็รับใช่ก็เจ้าพานุ่งก็คงใจอยากจะยมหามเลกเลน้อยเกี่ยวกับอย่างนี้เานึว่า มีสมบัตกของคนที่ตายตายไปแล้วไม่มีญาติโยมติการแต่ว่ารู้จักกับกับสิ่งั้นี่สามก็ไม่รู้จะทายังไงอยากจะเอามาถวายเป็นสังฆทานอยากจะทำบรณะดุจส่งบุญไปให้ไม่พลาดก็ได้มีผลหรือเปล่ารู้ที่ทำและําอย่างไรขอหลวงพ่อช่วยที่แนะย่าแห้ว้ ฝากไปฝากลงเวลาที่ส่งของที่บอกวก็เขาไม่ได้ครับฝากเขาฝากลงไว้กันแล้วมีโอกาสอะไรเขาจะมุตนามันนั้งเอาไปไปฝากขามเดือทานรวยที่อหนทานมีที่อยู่ที่ไหนทานอะไรใช่โอ้ยคที่มีที่ดินเจนยอดทว่อะไร้าคงเคยมากอะไรก็เก่อนเคยขายที่ดินเอ้ยใช่ เขาต้องทำแบบนี้แตมาหาสี่เ้อททานมหาสี่ได้ยังไงฝากค้าหลวงพ่ออยู่กับรถยันสูงเอ่อวันนี้ผมอยากจะพูดตัวนึงสุกพอตายกับหลวงพ่อท่านเล็กท้ายทำไมอยู่สุกพรตาพอ๋อพ่อของลูกผัวตายเป็นวิญญที่ตกฟีที่แล้วตอนที่แกขาดายตายเลยแกยิ้มแย่ง แคเกใส่อยงในผมใส่อะไรก็ผ่านไปแล้วพี่โยมปีแต่ว่าผมใส่ว่าผ่านไปต้องยี่โยมปีเพิ่มาเข้าส่มาด้านวงวงกินโตอาหารกับลูกสงสัยว่าปัจจุบันนี้น่ะท่านคงจะสบายรือท่านจะลำบาแล้วจะมีทางช่วยเหลือท่านได้ยังไงต่อไปหรือไม่ขอรับช่วยได้ทุกอย่างเลย ท่านีแ ส, สดงว่าเ็าดีแล้วเมื่อก่อนแกคงดีแต่ว่าคนเนี้จิตไม่ยอมรับเพราอาจจะมาเข้าฝันแด้เข้าฝันไม่ได้ไดใจไม่ดีพอเพร<อ>าะการจะเข้ามาเข้าฝันได้จิต่อนหลับต้องเท่าธุระสมาธิก่อนแล้ววิชัยให้ตันี้นแปวกใจดีกว่าเพราะแรงของจกคอไตาหนกาตายที่ดี มันแรงแก็ผกแต่ตายแกไม่รู้ผูกหรตายเนี่ยตัวคนผูกไม่รตัวไม่รูตัวเข้าใจว่าการยังสนุกรื่นเริอยู่เยแต่ไม่ดีเยอะเลข้อความเยอะเยะแยะเล้อควมีกันตลอม่งยัสอให้ยิ้มเลยนะสุโขทัยมันวิจนาให้เรื่องไปไปไปไดอเเดินานะขอให้ยิ้ม ถ้าการท้าเรื่อง้อนาอย่างจุ๋ถ้าลูกนั่งสมาธิล่างบวบไหวเห็นพุทธลูกประมาณสักสองสามนาทีเราก็เห็นร่างกายตัวเองสลับกันไปบกันมาในร่างาอย่างนี้ลูกอยากจะให้เห็นพุทธะลูกให้นานแสนานตลอดเอาังไม่ให so ้ร่างกายขหูเข้าไเยีรพลลูกควรจะตัดอารมณ์หรือแก้อารมณ์แบบไหนครัไม่ต้องตัดไม่้องแก่ ลืมตา ม, ม่นั่งดูพุทธรูปถ้าไม่หลับตายจะเห็นเลยถ้าลืมตาถ้าลืมตามองดูนีน<า>่อย่างนี้ไผ่านไปใช่ใช่ไม่ต้อปแก้แก้ง่ายนิดเดียวเลยนะก็ไม่ีอะไรถ้าถือว่าภาพปรากฏอย่างไนก็ปล่อยวิญญาณ ม, มันการหลงตงจิตมันแสดงว่าตัวเราเข้าถึงพุทธรูปแล้วลหมวายควายอมรบับก็คือด้วยควิใจ แสดงของตาภาพมัน่อยมันลบองสูงเกี่ยวเรื่องการรวจน้าเป็นภาษาบรีลวกคงจะทาไม่ได้พวกคนจะได้แต่ภาษาไทจะต่เรืองก็้าอ่านไม่ออกยี่ห่จะได้ก็ปากจย่อพระว่าข้าศึกละหนึ่งไปไทไทยสองย่อย่อสามต้องดีสมขอหลองพ่อสดในตาพระนั่งสดสาธวับไอเดีย เอาไ้ด <mind> right ีผีโวยผู d d ้ให้บ right e oh, ุญว่าคนไทยแท้เลยไทยไทเดี๋วย่อหีโวยเลยเอาให้ดีขอบุญบุญนี้จงสเด็จใจกับวิาาวาที่ศาลไ้ามจขอขอบุญนี้จงได้แกขวเจ้านะเรคได้ควา ครั้งหนึ่งในชีวิต a ้านได้เกิดมาไม่เป d น i t ก well, ูก shuffle, ็ภาวาพุทโธไว้ใช่นะครูใหญ่เรื่อนั้าใครกโปดีกว่านะรา้าพระเอกพระภูมหลวงพ่อท่านมีก้อนอย่างสูงอริยสังข์ความปรสงจะซื้อที่ดินและที่บ้านให้เลยราคาสองล้าบาทึ่งกลังจะตกลงจะเป็นท่เรียบร้อยแต่ที่จะกล่าบเปียนถามในวันนี้ก็คือว่า <co> เมื่อเขเร็จะเกียบร้อยแล้วขอว่าเรามีพ่อช่วยในหกเป็น์หกท่องหกเก้าปีตาให้บ้านร่มเย็นเันถุกด้วยแล้วลูกจะทำบุญต่อพอทุกวันตลอดชีวิตเลยเจ้าพ่อฉันไม่ต้องไปไหนนะไม่ไม่นางบอกาดิโอยย่าเลย ใช่ใช่ตกลงตกลงไปไปเดี๋ยวทบเป็น้อลล์ไปไปคุยกันใช่หมน่ยไเยออกรูกกันอีกอ่อเดินทางไม่ได้กิอเอไปก็ ผมเป็นประการใดต่างกันหรือไม่ประรเขาว่าย่งไนปรมัดนี่ข้อที่ผมตรวข้างอย่บอคือรักษาตลอดชีวิตเจะรักษาข้หนงไม่ขาสัตตลอดชีวิตทำไมขาดสัตว์ตลอดเลยหลคนหนึ่งกวราไม่เอานั้นะมันมันคาเคินไปเอาแฝ่งดีกว่าเขียนมาไปเขียนมาคนสุกทายจะว่ามยก็ไปยันนี้เขาว่าไปยันนี้จ่ิงด้วยมั สิสัมากดีจังมากดีังมากนะอาจารย์กระดับดี like ังมากเลยหเปล่าเ really ี่ยเลยนะาดีกว่าเขาก็ปรับบัตรก็แปลว่าย่างยิ่งไอคนบอทัมันรู้เรื่องหรือเปล่ามัรู้รสาวทินห้าร่สาวทิแปดก็จะหมสิทธิ์ามไม่ให้เส่งค่าจริง ไม่บกพร่องถ้าไม่บกพร่องก็จะเป็นปรมัตถ์ใช่ไหม็ออรัอ้อย่างนี้อย่า ง, ง, งนิง้เราดูอย่างนิ้ดีแล้วไปต่ <c oughs> อไปวันมันจะาก็ปอดจากโรคดีแล้วถ้าหลวงพ่อครับก็คงอยู่บ้านหนักใจมากอออออข อ, อ, าพอพ่อไหว้พระสวดมนตเสียงดังเงียบขรึมในใจ เวลาตรวจครอบตรวนคล้องการไปตรวมาต้เขียนการแก้เร่อาแก้ splash, that that ่ยกร่าก็เด้ท okay, ี่มาช่นี้แล้วลูกเช่ว่าคูจะมีเรืัเป็น่างแน่ก็เลยจะมาบอกหลวงพ่อว่าลูกขอขมาราโทษขอหอวงพ่ไวกให้ลูกต้องสอนใ่วดเจ้าราบเรื่องสอนแก้กรรมเรื่องสอนดีเอาแก้กร้ก่อนนะแก้กรรมเอาเรื่องที่แก้ส่วนสวดกัลา แกกันมแลวนะไอ้กรรมนู้นเป็นกายกระทำคุณเวลาจ่ไม่ต้องเสียงกันถ้าคุณเสียงกันบริส่วนหลังบ้านจะโดนไดุ้่ลายไปแลบโอ้วันนี้โรคเกาต์ดีมาแล้วก่อตาข้าหลวคออยูร่มงสูงกระผมเป็นโรคปวดศีรษาไปโรงพยาบาลหมอปวดแ้ปลาวดตเป็นโรคเกาอย่าไม่ต้องสงสัย ผมรู้จได้ว่าเคยได้เหรียญเหรียญน่าทำน้องมนต์ของลุกพ่อไปก็เลยเ้าลองก็ลองอธิษฐานโดยไม่เอาจริงแต่ว่าคําชาติจะลองรู้ว่าจะแม่แค่ไหนเอาเหรียญนั้นวางไปในน้ําแล้วก็อธิษฐานขอก็มีเหรียญจนช่วยให้โรกเ ก, ก้าหายไปเถิดราขุดก็เขากินไปสามตืดแล้วเอามาหแล้วไปให้หมอเช็คในวันต่อไปราขุดว่าหายอย่างปริศน เพื่อไปเชนนี้ได้เนเจ้าขอกะระีหลงพ่อให้เอาเหรียญน่ะลองใส่น้ำฉันดูบ้างกขี้พ้อนต้องจะปักเลยไอ้นกินทุกวันนะให้ที่ป่วยเนี่ยจริงๆริมันจ่เข้าเนาะเข้ามันไม่น้ำเป็นมาจริงจริงแล้วโลกหัวใจโลกหัใจไม่ใช่ ไม่สมหวังองค์นี้ไม่สมหวังเลไเพรอยากจะตายเร็วๆตายชาไปนี่ก็ใจ้คำร่างเหรไม่ผู้บารมีมาแล้วไม่สมหวังเลยเพราะคพู และตัวนั่งองมมงได้ตายเมื่อปืหกปีที่แล้วจ้าวเป้าจ้านั้นเข้ามาเข้าฝันเมื่อของเมื่วันนี้เองท่านขณะนี้ท่านอยู่ที่เจดีย์เก่าๆวนไปวนมาอยู่ในแถบนั่นลูกเห็นแล้วก็เลยมรณถวายสังฆทานกับคุณงพ่อแล้วขอสังฆทานที่ลูกทำาลอดพ่อมาสีกว่าปีอูทิศให้คุณแม่ด้วยขอคุณแม่เป็นโมตนาขอห้งพ่อเป็หมายแต่ความเป็นลกก้าวที่เธอเป็นผ่าง ต้องพอไม่แง่เลยนะขอข่อหายนะนะแล้วขอหายเขาบอกุตาทำศทาให้เก้าอยู่อเลยก้าน่ยมันไม่มีแล้วหรือหัวใจขอมันไม่ได้ศรัทธาใหม่รอไใช่แ่สยกินี่นะสอไปเป็นรคุณตาอไรว เพราะูนย์องคังสูงก็คือร่างสาวลูกจะมีโอกาสทำจุดกรรมฐานที่ลอยไหลลมมันก็ทรมานเหลือเกินหนึ่งเป็นเหน็ดตาสองปวดไัลสามปวดขาในโอ้โหเราทำปูดเดินบนไายเยอะแยะแต่ที่แย่ก็คือว่าเมื่อลูกจับลงหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธเฮ้ยเราก็หายไปอย่างปริชิง แต่เขาหยุดพุกโพมาว่าอรรมะบทะไม่กลับมาอีกลูกสงใสยว่าทำไมพุทโธถึงพูดนรมะพระไม่ได้เลยครับใช่ว่าไงครับ้ั่นเองไม่ดีตกใจที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเขาภาวนาไม่ยังไงเขางูกทูตวหายอ่าถือว่าเธอมีภาวนานรมะพระนะ มต้องปวดันต้อเหนื่อยมัาเป็นอะไรแต่อะไรพอมาพักพอนาผู้ตัวพกมันขายไปเลยไม่จให้สู้ไม่ได้ทีนี้ก็พอนาพักพักไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงทำไแล้วอก็แค่หลองพ่อคงยกกองคงเนี่ยอ๋อไเ่ได้นะโฆษณาจิตเทือกผู้ตัวไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้สู้ได้ไม่ได้เราอยู่ที่อารมณ์ใจ จิตยังไม่เป็นสมาธิพอถ้าจักอนาวาแล้วตีจิตแล้วเป็นสมาธิทุกเวลาจะมันเท่าแค่นี้ถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจะหายเหกันณลายไม่กันโอ้ดีนี้พอแกสนใจรึเปล่าราบเท้าล้งโูล่ที่กระอกยันตูไม้ไปใบแรกในในในหลอกของสี่ต่อสามนะ เมื่อไม่กี่วันมานี้คุณแม่ของลูกเจ็ดสิบกว่าปีแล้วอายุถ้ามีความกระตือรือร้นพ่ออย่างจริงใจถึงไหนถึงตามพ่อไปไหนแม่ตามพ่อไปนั่นแต่ว่ามาระยะเมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านเข้าไอซียูของลงพอยังไม่ได้เข้าทางที่เขาเข้าก่อแล้วไม่นะถ้าเข้าห้องไอซีอยู่าน้าขาโมนเล็บล็อกตอนทีเศรษฐกิจไม่ดี เราเข้าวงาไงที่อยู่แล้วหมอรงมาติดเอกสารว่าต้องผ่าตัดผ่าตัดมีทางรอดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นลูกๆตกใจเป็นกางใดเลยรวบรวมํำลังใจสรวจบอลทาสมาธิขอบรรมีและสมมาระุรีไจ้าไป็นข้อบ้านคาบุญเป็นที่สุดให้ด้วยเราพระหนึ่งไม่ต้องตายสองไม่ต้องตายสามไม่กลับ้านได้สีเลิแก่เลยผลพธ์ว่า คุณแม่เองหลวงพ่อไปยอยู่ข้างเตียงป่วยๆไปได้นะไปยันอยู่ข้างเตียงที่ไปเรีนนั้นก็ปรากฏว่าไอ้เตียงข้างคุณคุณแม่เนี่ยเขาก็รักายใหม่ใหม่เออดีประเสริคุณี่ต้องไปจะหาเงินคนอื่นจะบอกได้ใช่ใช่ใช่ใช่มาจะหาเงินอยู่แล้วก็ ทีนี้ในขณะที่พ่อยืนอยู่นั้นคุณแม่เกิดความเกิดกําลังใจมากว่าแม่พ่อไม่ไิงลูกเลยขนาดลูกแผ่แล้วจะตายแล้วยังเป็นถ้วยแต่หน้าอาจารย์แค่เดียวีนมือไม่เฉยยื่นเข้ามาไม่มีตัวไม่มีตนในมือดังมียาสามเม็ดแต่ละเม็ดเม็ดละสีเมละสีส่งให้คุณแม่คุณแม่ฟ้าได้ก็ดีใจก็เข้าคอพอเข้าไปนั่งคอแล้ว ลุกขึ้นได้กาบหมอแล้วั่าอะไรต้องตื่นเพราะว่าจะต้องผ่าตัดแต่ก็เลยจะตกจากก้อยยากระด็นออกมาเอาเลยเออเออเออเออเออเอาเออเออเออเออเออเออเออเนอเออเออเออเออเออเอกเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเองไปมองมาบเออเออเออเออเาบเออเอ้เออเออเออเออเออเองออเอรเ ที่เดียกจมาให้คุณได้ เพ<ล>ื่อสองลกไปรู้มันมีเบลิมีกรรมมีฝากมีอะไรติดตัวมาแต่ภากไหนไม่ต่างไฟวัดอื่นมันไปได้แต่พอชวนมาหาหลวพมัมโนว่าไม่ว่างบอกให้ทำบุญเอาตัวางฝากมาให้ทำอะไรทำทุกอย่างแต่ให้มาหาหลางพ่เพื่อจะตรวนมโนิีดีราโกดมันมีอาการหรือเปล่าเมี่อไรก็ีข้าบทุกหลังลูกสงสัยว่ามีดมนของเป็นแน่มีดมโนของเป็นแน่ ก็เลยมากาบเทียนถามลว่าถ้าลูกจะให้ถ้ายัยกรอกเสร็จถืว่าเหรียญทรร้มนต์เอาไปตีหัวกบาลมันอาจจะมีผลบ้างหรือเปล่าลองดงนะไม่ใช่ใครก็ยอมรับลองลองดูอะไรแบบนีแต่ว่าผู้มี้ำมนต์นขอขอแย่งน้วยึงมีหลายๆายไมล่าด้ฟังแต่ยิ่งเป็นได้ผลที่น่าพอใจอย่างที่ ตัวเล่ออย่า ง, เ ป, นะงเป็นโลคเล็กๆน้อยๆนะแต่นาดเขาเป็นเกนเ้าเล่มหลายก็เป็นเกต์อาจจะดีกบ่นี้ถ้าโลกเกย์จะมีคืนไปแก้ในลำตัวใหญ่หลี้ยงน้ำออนวีทุกคนทุกอย่างถ้ายังไม่มีนะหนึ่งติดตัว ห, ห, ห, หนึ่งอันสองกอดแพ่แพร่ไปใช้หูหรือสมุนนะนะแล้วก็ข้าวตุ้มแล้วก็ต อ, อนตอนนอนก็อุดเลยกระดาษปัพะโลกทั้งหลาย เราก็โลกกลายหายนะต้อไม่หายต้มหนักเปนเบาเราไมายแล้วก็ขอให้คนต้ดีนะดีเดียนะนะเาเรียกดีทํา้ำมนตเพราะว่าเราเปตาแจี่阿ีบะชาเล้าอะไรนอาัโมเป็นขนโ